ขอความสุขความเจริญจงมีหถิท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปฐุมกำลังนำเสนอประวัติของพระสารีบุตรเถระซึ่งท่านได้กล่าวไว้ในโอกาสต่างๆพระบราณาจารย์ก็รวบรวมไว้ในที่เดียวกัน ในคำพีชื่อว่าปรมัตถีบนญีคาถาของท่านเริ่มจากคาถาที่เก0ร้ยกว่าวิานี้ก็มาอยู่ที่หนึ่งสเราก็ผ่านเวลามานานพอสมควร แต่ว่ากันในความเป็นจริงแล้วคาถาแต่ละคาถานั้นก็เหมือนพระสูตรหนึ่งพระสูตรนั่นเองเพราะว่ามันมีความนำในตอนต้นแล้วก็มีการแสดงคาถาแล้วก็มีการอธิบายในช่วงหลังบางครั้งใน สูตรนั้นและอาจจะต่อเนื่องกันไปสองสามคาถาแต่สรุปว่าแต่เราคิดเป็นประสูนร์ก็เป็นประสูตร์จำนวนมากทีเดียววันก่อนได้พืนได้พูดมาถึงช่วงที่ปะเทระท่านเล่าว่าท่านเองนั้นไม่ได้ยินดีกับความตาย แต่ก็ไม่เพลิดเพลินกับความเป็นอยู่การครองชีวิตของท่านก็เหมือนกับลูกจ้างเราคอยการทำงานเสร็จไปเป็นวันๆแล้วข้อต่อมาท่านก็บอกว่าความตายนั้นจะต้องมีมีเป็นสองคราวคือคราวที่แก่เท่า แล้วก็คราวที่เป็นหนุ่มสาวคนที่ไม่ตายเลยเนี่ยไม่มีหรอกเปรตนั้นท่านทั้งหลายจงปฏิบัติชอบขอจงอย่าปฏิบัติผิดจนถึงพินาศไปเสียเลยแล้วก็มาจบลงที่ข้อความที่ว่าขอเวลาอย่าได้ น่วงเลยท่านทั้งหลายไปปัญหาเรื่องเวลานั้นเป็นเรื่องใหญ่นะฮะคนเรามันเฉือนกันที่เวลาเนี่ยเกิดแต่ละคนก็ได้เวลามาเหมือนกันคือยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนกันแต่ทาไมคนบางคนประสบความสาเร็จอย่างสูงไม่น่าเชื่อก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดไปทีเดียว ในด้านเศรษฐกิจเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกคือรวยที่สุดในโลกครอบครัวเพียงครอบครัวเดียวแต่ว่ารวยที่สุดในโลกรวยกว่าสถาบันประมากษัตย์ในบางประเทศอีกตะกนความประสบความสาเร็จในด้านวิชาการสูงมาก บางคนประสบความสําเร็จในการปฏิบัติพัฒนาจิตสูงมากบางคนประสบความสําเร็จในธุรกิจต่างๆในสูงมากเป็นต้นอายุอานามก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละบางทีผู้จัด ก, การอายุน้อยกว่ารองผู้จัด ก, การหรือผู้อำนวยการอายุน้อย กว่าคนหลายๆคนในทีมงานของเขานั้นแสดงว่าคนเหล่านั้นรู้จักบริหารจัด ก, การกับเวลาคือพยายามใช้เวลาของตัวเองให้เกิดประโยชน์พระเจ้าทรงย้ำเตือนเรื่องเวลาแล้วก็อย่าประมาทอย่างที่รับสั่งไว้ก่อนจะเป็นนิพานว่า ภิกุทั้งหลายเราก็เตือนเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาทั้งเสื่อมสลายแหละมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาการครองชีวิตที่ถูกต้องก็คือครองด้วยความไม่ประมาทเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้สมบูรณ คือจงใช้ชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคไม่ประมาทในการละทุจริตทางกายทางวาจาทางใจและลากความเห็นผิดไม่ประมาทในการเพิ่มพื้นสุจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็พัฒนาส ม, มาธิขึ้น จนถึงก็ไม่ประมาทเป็นแต่ละขณะโดยการระมัดระวังจิตสัมรวมจิตอย่าให้เกิดความกำหนัดอย่าให้เกิดความขัดเคืองอย่าให้เกิดความรุ่มหลงอย่าให้เกิดความหมวัวเมาซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นแรงดันของกิเลสทั้งนั้นกำหนัดก็เป็นราคะกโกรภัทขัดเคืองก็เป็นโทสะ รุมหลงก็เป็นโมหะประมาทก็ขาดสติขอสรุปแล้วว่าเป็นอาการของโมหนะนั่นเองือขาดสติมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งเรียกว่าทัศอภินาปัจเวคขสูตรผพระเจ้าทรงแสดงไว้ในทัศกานิบาตอังคุตรนิกาย เป็นคําสอนให้บุคคลใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในสิบเรื่องแล้วก็สิบเรื่องนั้นเองก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกคนไม่ได้พระหรือฆราวาดเจวดีพอดีทรงสอนแก่ภิกษุเพราะว่าคนที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากก็คือภิกษุอยู่กันทั้งกลางคืนกลางวัน อยากอยูย่อาจจะมากลางวันแต่ก็ไม่ได้อยู่ร่วมกลางคืนแต่ที่สำคัญย่างยิ่งก็คือพระเหล่านั้นท่านจำไม่ได้ประสงสอนให้พิจารณาหนึ่งเนืองพิจารณาบ่อยๆพิจารณาอยู่สม่ำเสมอเป็นการตรวจสอบตัวเองคือสรุปแล้วว่าตรวจสอบตัวเองเป็นการศึกษาจากตัวของตัวเอง ก็มีอยู่สิบประการข้อหนึ่งมันประจิตควรพิจารณาหนึ่งๆว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากเครือขัดแล้วอาการกริยาใดๆของสมณะเราควรทำอาการกริยานั้นๆคำว่าเป็นสมณะเนี่ยก็พูดเฉพาะพระ แต่ว่าถ้าโดยเนื้อหาแล้วก็ต้องหมายถึงสาวบ้านด้วยเพราะว่าสมณะแปลว่าผู้สงบจากบาปชาวบ้านที่อยู่ในศีลในธรรมก็ชื่อว่าเป็นสมณะโดยธรรมก็สามารถสงบจากบาปได้และความเป็นของคนเราก็แตกต่างกันออกไปเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีเป็นปัญญาเป็นเพื่อนเป็นอะไรอะไรต่งตางๆมากมายกลายกอง ในแต่ละวันถ้าเราเทียบกลุ่มคนที่เราไปเกี่ยวข้องปรากฏว่าเราก็เป็นอะไรอยู่เยอะในฐานะที่เราเกี่ยวข้องกับท่านอยู่กับพ่อแม่เราก็เป็นลูกอยู่กับสามีเราก็เป็นพัญยาอยู่กับพัญยาเราก็เป็นสามีอยู่กับลูกเราก็เป็นพ่อแม่ อยู่กับเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนอยู่กับนายเราก็เป็นลูกน้องอยู่กับญาติเราก็เป็นญาติในฐานะนั้นๆซึ่งก็หมายความวาความเป็นในแต่ละอย่างของเราในแต่ละขณะจะต้องไปฏิบัติตนให้เหมาะสมสอดคล้องแก่ฐานะที่เราเป็นพยายามเป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นจนถึงเป็นให้ชอบ ตามํานองครองธรรมบางทีระยะมันสั้นนิดเดียวแต่เป็นในชอบกันแหละกันพถ้าแม้เวลาจะสั้นนิดเดียวแต่ถ้าเราจัดความสัมพันธ์ออกมาในทางที่ลบประนามก็เกิดขึ้นักเราได้จึงจะต้องพยายามจัดความสัมพันธ์ในทางบวกให้บางคืดขึ้น ผลการเป็นสมณะนี่แปลว่าผู้สงบสงบจากอะไรสงบจากบาปบาปนั้นเกิดขึ้นที่ไหนที่จริงเกิดขึ้นที่จิตแต่ว่าจิตคิดแล้วก็กายก็ทำํำวาจาก็พูดผลอาการมันปรากฏที่กายกายับวาจาแต่ว่าถ้าถามมาเกิดมันก็เกิดทีจิต จิตต้องคิดที่เป็นบาปก่อนคิดที่เป็นบาปก็คิดด้วยแรงผลักดันของกิเลสหลังจากนั้นการทำก็เป็นบาปการพูดก็เป็นบาปตามไปก็กลายเป็นผู้เป็นบาปกล่าวโดยสรุปง่ายๆที่เป็นระดับสังคมก็คือการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำลายกัน ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในอัตตปาติโมกนั่นเองประการต่อไปทรงสอนว่าบรรณชิตควรพิจารณาหนึ่ ง, งว่าชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรจำตัวเขาเลี้ยงง่ายก็หมายความว่าชีวิตของคนทุกคนนั่นแหละยังไงก็เกี่ยวข้องกับคนอื่น อยู่ร่วมกับคนอื่นทำยังไงอย่าให้เราเป็นปัญหาต่อบุคคลอื่นคนอื่นเป็นปัญหาต่อเรานั้นก็อจจะมีแต่ก็ต้องใช้เมตตาใช้ขันติใช้ความอมดทนการไม่ถือสาความมุ่งสงเคราะห์นุเคราะห์ช่อหรือเกื้อกูลกัน นั่นก็คือการปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าพอเขาไม่ดีมาเราไม่ดีตอบมันแก้ปัญหาไม่ได้การเลี้ยงชีวิตเ่เป็นเรื่องที่มันต้องมีทุกวัน เ, นเกี่ยวกับปัจจัยสี่โดยเฉพาะอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่ม อยาแก้ไขนั้นอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่ว่าสามอย่างนี้เราก็ขาดไม่ได้ขาดอาหารเราก็อยู่ไม่ได้ขาดเครื่องนุ่งห่มก็อยู่ไม่ได้ขาดที่อยู่อาศัยก็อยู่ยากอาจจะนอนข้างถนนร่นแคมอะไรไปได้นะแต่สรุปว่าเรื่องอาหารกับเครื่องนุ่งห่มยังไงก็ขาดไม่ได้ แต่ว่าอย่าไปตั้งเกณฑ์กำหนดจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่าง น, น้นนี้จะต้องเป็นอย่าง น, นู้นเพราะว่ามันมีเรื่องเงื่อนไขปัจจัยต่างๆเป็นอันมากที่นอกวิสัยของเราเราจะแก้ไขได้อย่าสถานะเศรษฐกิจที่มีการบ่นกันมากพบกับใครก็ก็บ่นเรื่องนี้ให้ฟัง มันต้องยอมรับความจริงนะฮะว่าโลกมันก็เป็นข้ามันอย่างนี้เองแล้วถ้ามองกลับไปก็คือว่าคนเราที่จะประสบความสาเร็จอย่างสูงในชีวิตได้เนี่ยต้องมีองค์ประกอบก็ทาให้นึกถึงโลกคณิตที่ท่านว่าไว้ แม้มีความรู้ดังสัพพันอยู่ภีบอมีคนชูห่อนขึ้นหัวแหวนข่าเมืองตรูจ่าโลกบอมีทองรองพื้นห่อนแก้วมีสีอันนี้เป็นสังคมอุปธรรมแบบสังคมไทยนีย่ค่อนข้างชัดนะฮะ คือหมายความว่าคนบางคนทั้งดีทั้งเก่งทั้งสามาทั้งฉลาดทั้งมีวิสัยทัศน์น่าชื่นชมปิติแต่ไม่มีทองรองพื้นหมายความว่าพวกไม่มากไม่มีคนอุปถัมภ์ส่งเสริมสนับสนุนปกป้องก็ไม่อาจสามารถจะอยู่ได้ อย่างในอดีตที่เคยเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ผีบ้าผีบุญทั้งพระบ้างทั้งคารวะาบ้างทั้งขาดฐานทางสังคมแดะในที่สุดท่านก็ถูกทำลายอย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีท่านผู้หนึ่งก็ตายไปนานแล้วนะก็คงจะเป็นร้อยปีแล้วมั้ง ท่าน่าบุรณะปฏิสังขรพระบร ม, มาสารีริกธาตุประเจดีนะฮะไม่ใช่พระสารีริกธาตุคือประเจดีตอนนั้นชํำรุนสุดสบมากแต่ว่าเทวดามาขอให้ท่านไปบุรณะท่านเป็นพระอยู่ที่วัดราชบุรณะนี่แหละพรรษาสามท่านนั่นเองเทวดาก็ช่วยเหลือตลอดทานตลอดงาน มันเด่นดังจนซ่องสงผู้คนอยู่เป็นหมื่นๆมาช่วยกันไม่มีค่าใช้จ่ายอาหารการกินชาวบ้านรับผิดชอบหมดคนมีแรงก็ใช้แรงคนมีเงินก็ให้เงินคนมีอาหารก็ให้อาหารคนมีข้าวสารก็ให้ข้าวสารคนมีปลาเค็มมีกะปิมีเกลืออะไรอะไรก็เอามาให้กันเลี้ยงดูกันเป็นมหากรรม พอดีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งตอนนั้นอายุท่านแปดสิบกว่าแล้วท่านนั่งเล่าให้ฟังเลยก็รู้ประวัติของท่านเขาเรียกว่าพระครูปานชื่อปานก็เป็นเป็นพระครูนะที่หลังเป็นพระครูเป็นพระครูราษมุนีอะไรเนี่นะะยาวๆชื่อยาวๆคพรุ่นท้าทางส่วนกลางระ แ, แวงกลัวจะเป็นผีบุญ ส่งผู้หญิงสวยก็ไปยั่วยวนทำตัวเป็นโยมอุปัฏฐายการนี่แหละดูแลความเป็นอยู่สารพัดร้อยสี่พันอย่างท่านก็ยังหนุ่มนะฮะอายุยังไม่ถึงสามสิบหรือเปล่าถึงสาสิบหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะท่านเริ่มงานทายุยี่สิบสามท่านนั่นเองผู้หญิงกลอมยจนสึกเล ย, เ, ลยเป็นความริษยาจากคนระดับสูง พี่กลัวเขาจะดีจะเด่นจะดังขึ้นมาจะเทียบรัศมีของตัวเองเปละเด็คือเงื่อนไขปัจจัยเราจะเห็นว่าคนจะเก่งจะดีจะสามารถยังไงก็ตามถ้าขาดการอุปถัมภ์ส่งเสริมขาดฐานรากคลาก้ายๆกับสร้างอาคารขนาดใหญ่แต่ว่าเข็มไม่แข็งพอคาน ด, ดินไม่แข็งพอ รักษาขาคารที่จะสร้างขึ้นมาไม่ได้ในที่สุดก็ต้องพังคลืนลงชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะในการครองชีวิตของเรานั้นก็เป็นเช่นเดียวกันหมายววาว่าเงื่อนไขปัจจัยต่างๆมันเยอะแม้แต่พระเราเนี่นะ พระบางองค์นี่เป็นอยู่หรูหราหุ่งเฟื่อญาติโยมดูแลใจใส่อุปถามภุปถะธรรมตอนเช้าตอนเพลนมีญาติโยมนําอาหารมาถวายเยอะพระบางองค์ก็อยู่กันอย่างนั้นน่ยกุฏิก็ใกล้ๆลกันนั่นแหละแล้วก็แสดงให้เห็นว่ามันมีเบื้องหลังอยู่ชีวิตการขาดแคลนปัจจัยสี่นี่มันมีเหตุปัจจัยต่างๆอีกมาก เหตุปัจจัยทางการเมืองเหตุปัจจัยทางสังคมโดยเฉพาะตัวเราเองพื้นฐานเนี่ยไม่ดีหมายความมาเกิดมาในสกุลที่ยากร้ายขัดสนานาถาเขาเรีคติวิบัติคติมันวิบัติไปแล้วก็รูปร่างปุกฤลิกลักษณะก็ไม่น่าสนใจ ไม่สร้างความประทับใจเป็นร่างความน่ารักน่าเอ็ดดูน่าส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดขึ้นภายในจิตใ จ, จของบุคคลหนึ่งและวบางครั้งมันก็ผิดยุคผิดสมัยเกิดมาผิดยุคผิดสมัยและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการประกอบภารกิจการงานของเราเนี่ย บางทีเราขาดความรู้บางทีเราขาดความคิดบางทีเราขาดความสามารถบางทีเราขาดทุนบางทีเราขาดผู้สนับสนุนบางทีเราขาดฝีมือก็ทำให้มันมันมีปัญหาอย่างนั้นแหละก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรงยอมสามารถเข้าไปดูในวัดแต่ละวัดได้ว่าพระเนี่เป็นอยู่ไม่เหมือนกันเนะ เบาบินตาบาดได้เยอะเบาบินตบาตไม่ค่ได้ทางน้ำที่บิณตบาดไปด้วยกันนั่นแหละเราเดินไปข้างหลังเพื่อนเดินไปข้างหน้าพอตักเพื่อนเสร็จอาหารหมดพอดีเราก็เดินตามกันต่อไปเพื่อนรับเศษอาหารหมดพอดีเจอก็หลายพอดีสองสามครั้งก็เราก็แย่แล้วแต่มันเรื่องของธรรมดาของชีวิตที่จะต้อง พยายามอยู่ไว้ได้พยายามครองชีวิตยอยู่ให้ได้ประการต่อไปเป็นการศึกษาถึงพัฒนาการในด้านศีลธรรมของเราบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเรื่องว่าอาการวาจาใจของเราอย่างอื่นที่ต้องทาไม่ดีขึ้นไปกว่า น, นี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ อันนี่คือกฎของความจริงว่าในการปฏิบัติความดีให้ถึงสุดยอดเนี่ยมันเป็นปลายแหลมของเจดีย์แต่นั้นเองคนส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่ฐานรากของประเจดีย์อยู่ข้างบนพระเจดีแต่ว่าจะขึ้นไปถึงยอดเนี่ยมันจํานวนน้อยคนก็พยายามปฏิบัติพัฒนาไปเรื่อยๆมันสีมันประณีตไปเรื่อยๆ จะเอาสีหน้า ไ, ได้หรือว่าเอาตรงโ น, น้นนะนะฮะที่ที่ที่ครอบครัวเนี่ยเป็นพ่อที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นสามีพันยาที่ดีเป็นลูกที่ดีแล้วก็จะโตขึ้นไปกว่านั้นขึ้นเหนือขึ้นไปกว่านั้นเป็นปู่ย่าตายายท่านก็ต้องดีมาก่อนแหละก่อที่ดี หมายความว่าแต่ละคนก็ต้องปรับตัวเองอยู่เรื่อยๆปรับปรุงตัวเองอยู่เรื่อยๆแก้ไขตัวเองอยู่เรื่อยๆอย่าทำตัวให้มีปัญหาแล้วปัญหามันจะลดน้อยลงบรรพชิตควรพิจนารณาในเรื่องว่าตัวเราเองตีเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่หมายความมาพูดรวมถึงศีลถึงธรรมนะฮะแล้วก็ถึงกฎหมาย เรามีความบกพร่องอะไรบ้างไหมในตัวบทกฎหมายต่างๆเราบกพร่องเรื่องศีลไหมเราบกพร่องเรื่องธรรมะไหมแน่นอนมันก็ยากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เรื่องกฎหมายนั้นยากแต่ว่าที่จริงปฏิบัติง่ายเพราะว่ามาตรฐานมันต่ำหมายความมาตั้งใจเป็นคนละเมืองดีก็พอแล้ว ประกฎหมายมันเกิดจากสํานึกเป็นกฎกติกาที่สังคมบัญญัติขึ้นคนบัญญัติก็ไม่ใช่วิเศษวิเศษโศอะไรมาจากไหนเราก็คนธรรมดาเนี่แหละเป็นคนธรรมดานี่แหละตวามคิดจิตใจของท่านพัฒนาไปถึงไหนเราไม่มีใครรู้ว่าท่านเขียนหนังสือเป็นท่านเรียนหนังสือมาแต่ว่าจิตใจท่านเป็นยังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้ เราก็เห็นกฎหมายเป็นอันมากที่ไม่ยุติธรรมแล้วก็แบ่งชนชัน้นคนจนคนยากไร้ในถูกกีดกันเราพูดว่าเราไม่มีวันละแต่ว่าที่จริงแล้วกฎหมายมีความแบ่งแยกอยู่ไม่มีก็เหมือนมีนั่นแหละ แต่เราก็ต้องตรวจสอบแบบเพราะเราอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายพอมาถึงศีนมันยิ่งยากไม่ต้องเอาอื่นไกลเอาสีห้าท่านสาธารณชน จ, จะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมยกสีห้าบอดคือสีห้านี่จริงๆมันหมดแล้วนะครหมายความมาถ้าคนในประเทศไทยสมมตินะถึงมันเป็นไปนไม่ได้แร้ว เราอาจจะสร้างเมืองจำลองขึ้นมาสักเมืองก็ได้เอาสักอำเภอหนึ่งสมมติเอาสักอำเภอหนึ่งก่อนตกลงนัดหมายกันเด็ดขาดเลยคนในอำเภอ น, นี้รักษาศีลห้าบริสุทธิ์หมดจดไม่บุพร่องเลยกฎหมายไม่ต้องใช้อ่ะสมบัติอเภอเนั้นไม่ต้องใช้เพราะกฎหมายมันยาบกว่าศีลศีลข้อที่หนึ่งนี่คุมสวัสดิภาพในชีวิตทั้งหมดเอาไว้ สี่ข้อที่สองนี่คุมสวัสดิภาพสวัตดิการด้วยนะฮะในทรัพย์สินเอาไว้สี่ข้อที่สามนั่นคุมสวัสดิภาพในชีวิตในคู่ครองเอาไว้สี่ข้อที่สี่ก็คุมสวัสดิภาพแล้วข้อที่สองเนี่ยเราเห็นว่ามีสวัตดิการด้วยก็กลายเป็นทั้งสวัสดิภาพสวัตดิการ จรงสวัสดิการมาจากศี่งข้อที่หนึ่งเพราะมันเป็นเมตตาสวัสดิการมาจากเมตตากรุณาทีนี้ถ้าสังคมอยู่อย่างมีสวัสดิภาพแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูล ก, กันโดยมีสวัสดิการสังคมก็น่าอยู่นะน่าอยู่น่าอาศัยอบอุ่นเป็นมิตรสนิทสนม รักใคร่เคารพนับถือซึ่งกันและกันแต่หลักการของพระเราเนี่ยจึงมีว่าตัวสอบตัวเองอยู่เสมอเมื่อต้องอาบัตก็รีบแสดงทำตัวบริสุทธิ์จากอาบัตสารภาพบาปคล้ายๆกับสารภาพบาปทั้งแหละแต่ว่า เ, เราไม่ถือว่าสารภาพแล้วหาย ยิ่งแต่ว่าอาบัติที่เป็นปานติวัชชาคือเป็นบทบัญญัติตามพระวินยนะัยเนี่ยหายแต่อาบัติที่เป็นโลกวัชชาเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์กระเพิดิดในการพูดเท็จเนี่ยไม่หายหรอกเพราะมันเป็นบาปบาปมันมีมาคู่โลกพระเจ้าไม่ได้บัญญัติบาปนะคือบาปมันมีก็มันเอง ม, มีโดยกฎขอนธรรมชาติของมัน พระเจะทรงแสดงเรื่องบาปเอาไว้ให้เราทราบที่ไปที่มาของบาปบ า, บาปมันมาจากอ ก, กุศลละมูลนะรากเหง้าของกุศลคือโลกปวดหลงนี่แหละมันแตกกิ่งก้านสาขาออกไปมากมายก่ายกองเป็นพฤติกรรมเลวร้ายรุนแรงจนเวลานี้นะเศรษฐกิจยังแก้ไม่ได้แต่ว่าไปสร้าง ปัติกรปรมานูปัตกรวขวังข่าวว่าพมา่ายังมีแล้วนะก็มันจะเปิดขนาดยากจนอย่างนั้นนะหรือเกาหลีเหนืออย่างเงี้ยมีปรมานุแล้วถาตามที่เศรษฐกิจก็ไม่ดีสังคมก็ยันแย่แต่ก็ไปนเน้นเรื่องที่จะทำลายล้างมนุษย์ชาตกัน เราไม่ได้คิดตัวเขาทำลายล้างเราเราจะทำยังไงอันนี้คือความคิดแบบโลกมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราคิดอย่างผู้มีศีลเนี่ยมันคิดไม่ได้คือไม่มีใครคิดเราเรื่องอย่างนั้นโดยพื้นฐานวัฒนธรรมาศาสนาของเอเียเราเนี่ย เดิมทีเดียวก่อนที่จะกระแสะโลกาภิวัตน์มันจะแผ่ซานครอบคลุมโลกก่าทวเบเชียไม่มีปรมานูเบอรนเดียมีจีนมีก็หลีเหนือก็เข่ า, าจะมีอา้าวพมาาเกิดมีขึ้นมาอีกก็อื่นพอตำนาวนะะคือจีนก็พูดเยอะ พ่อมาก็พูดเยอะกอลีเหนือนั้นเขาเป็นคอมมิวนิสต์แต่ที่พูดเยอะเนี่ยไม่น่ามีหรอกแต่คนที่คิดก็คงไม่ใช่พูดหรอกเพราะพูดไม่กล้าคิดหรอกไปผลิดอาวุธขึ้นมาทำลายล้างมนุษยชาติอย่างนี้ไม่กล้าคิดแม้แต่คิดก็ผิดแล้ว ทีนี้ข้อต่อไปเนี่ยบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเหนืองว่าตัวเราเองติเตียนเราเองโดยศีลได้หรือไม่นะนั่น น, นันนันข้อที่สี่เราต้องตรวจสอบตรวจสอบแล้วก็ตัดสินตัวเองพิจารณาตัวเองตัดสินตัวเองอย่างที่ท่านเอาพระพุทธภาษิตมาเรียบเรียงเป็นคากรอนไว้ว่า ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแช่ยเชือนเกินตนให้พ้นภัยทีนี้มองจากข้างนอกคือเราตามปกติเราไม่ค่ยเห็นความบกพร่องของเราธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนั้นเองอย่างที่โลกนิทเขาว่า โทษท่านพืนเพียงมเมล็ดงาปองติจินนินทาหอนเว้นโทษตนเท่าภูผาหนักยิ่งป้องปิดคิดซ่อนเร้นเรื่องร้ายหายสูญ น, นั้นคือธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็ให้มองแกุณหนึ่นพะบรรพชิตควรพิจนานนรณาเลียงๆว่าผู้รู้ใครควรแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่แน่นอนในการมองความดีความชั่วเรามองกับที่ศีล เพราะถ้าศีลมันดีแล้วธรรมะมันก็ต้องดีแต่อาการที่ปรากฏนั้นเป็นอาการของศีนการตีเตียนนั้นมีข้อแม้อย่างหนึ่งนะครัินยูชนยกย่องหรือทำนิกเพราะการตีเตียนในแหมมันมนุษย์ตีเตียนได้ทั้งนั้นตีเตียนได้สารพัดตีเตียน มีเรื่องในพระบาลีท่เล่าถึงอุบาสกคนหนึ่งเชื่อตุลาอุบาสกชวนพวกมาฟังพระเทศครั้งแรกมาเจอพระเรวตัตท่งเป็นพระราหารันขอให้ท่านเทศพระเรวตตท่านอยู่ป่าตัง้งสิบสี่ปีเพิ่งเข้ามาอยู่ในเมืองท่านก็ไม่คุ้นต่อการคุยอ่ะท่านไม่ได้คุยกับใครท่านอยู่ในป่า เขาก็ตัหนิแล้วมาเล่าพระอานุ์ฟังพระกติเตียนพระเรวัตตะอนุนถก็ เ, เห็นว่าเออไม่พูดเขก็ติเตียนท่านก็พูดเสวิจิตพิสดารตุเล่า่าสกุกติเตียนอีกเทศอะไรวิจิตพิสดารใครจะจําท่านใครจะเข้าใจลึกซึ้งละเอียดเกินไปพูดมากเกินไป มหาภาษาริบุตรพิชายของพระเรวตตเล่าเรื่องพระเรวตะกับพระ อ, อ น, นุ์ให้ฟังภาษาริบุตรท่ทานเห็ว่าเออพูดมากก็ติเตียนพูดน้อยก็ติเตียนเออไม่ไม่พูดก็ติเตียนพูดมากก็ติเตียนท่านก็พูดพอประมาณเอาติเตียนอีกละเอาว่าพูดอะไรยังกระทองจะร่วงจากปาก พูดนิดเดียก็บังฟังเพลินๆชาบซึ่งดีอยู่แล้วก็เลิกไปเสียอ้าวไปคว้าเราพูดแต่เจ้าพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันนะเพราะว่าไม่พูดเาก็ติเตียนพูดมากก็ติเตียนพูดพอประมาณก็ติเตียนแล้วจะไปทางไหนอ่ะพูเจ้าเลยไม่เทศจหรอกแต่เทศใหม่ บอกว่าโบราณเมตังอุตละเรื่องนี้มันโบราณคนก็ตีเตียงกันได้ทั้งนั้นแหละตีเตียงได้ทั้งคนไม่พูดทั้งคนพูดมากและคนพูดพอประมาณคนไม่ถูกตีเตียงในไม่มีในโลกหรอกคนคนอย่างนี้เอานิยายน่ไม่ได้เราไปเต้นตามจังหวะที่เขาเคาะไม่ได้เพราะถ้าเราฟังทุกคนแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรอะ สมัยอยู่ต่างจังหวัดมีพระเถระรุ่นพระาจารย์ตอนนี้ท่านโคมณภาพไปนานแล้วท่านต้องการพิสูจน์ความคิดของคนท่านก็ให้แกงส้มขึ้นมาหม้อใหญ่เลยแล้วก็เรียกเด็กวัดมาชิมมาติให้ชิมก่อนแล้วก็ติวิจารณ์ได้ขาดอะไรเหลืออะไร อ่าคุอะไรขาดก็เติมเข้าไปอะไรเหลือก็ทํำยังไงอย่าให้เหลือปรากฏวิติได้ทุกคนนะฮทีนี้เวลาเติมอะไรเข้าไปใหม่เนะี่ยก็ต้องกวนทุกคนกวนทั้งนั้นเพื่อให้สิ่งที่ตัวเองใส่เข้าไปเนะี่ยมันเข้าเข้าไปในในน้ําแกงก็ในเนื้อแกงด้วยแหละ ผลท้ายในแกงนี้เละและเป็นบุ้นเลยนะฮะปลาก็ไม่เป็นปล า, าผักก็ไม่เป็นผักมันกวนกระจุนเป็นบุ้นเลยแล้วท่านก็เชียร์ดูท่านบอกเห็นไหมถ้าเราฟังคนติแล้วก็ติได้ทั้งนั้นแล้ว ก, ก็แก้ได้ทั้งนั้นด้วยแต่ว่าเมื่อทุกคนก็แก้ได้ทุกคนก็ติได้เลยมันแกงเป็นแกงเละเละอย่างงี้ มีพระรูปหนึ่งท่าทดสอบโดยการทำทาไม้แก้วะนะไม้แก้วทำเป็นด้ามมีดทำมีดตอกมีดจักตอกเพราะนิยมเป็นข้านิยมเล่นกันท่้นก็ทำอย่างที่เขาทำแล้วก็ทำอย่างดีพร้อมที่จะใส่มีดเข้าไป แต่พอญาติโยมมาก็ให้สวดดูญาติโยมก็ติอย่างงั้นติตรงนี้ติตรงนั้นเอา ช, ช่วยแก้ไปแก้ไปได้ด้วยแก้จนจนเละเหมือนกันกลายเป็นธรรมะจึงฟันได้ทำอะไรไม่ได้พรา ะ, ะวินยูชนติเตียนเราจึงฟังเพราะวินยูชนนั้นจะใช้ปัญญาพิจารณาโดยรอบคอบแล้วติเตียนคนที่ควรติเตียนเมื่อเขามีการกระทําที่ควรติเตียน คือท่านไม่ได้ติเตียนคนแต่ถ้าท่านติเตียนที่กรรมตีคนส่วนใหญ่มันตีเตียนคนแล้วก็อ้างเหตุที่ต้องตีเตียนเนี่ยไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าผมไม่ชอบก็นแล้วกันอันนี้มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องอารมณ์แต่เราพูดเรื่องกรรมกันนี่พูดถึงการรักษาศีเขงพระสีเขาโยมก็เหมือนกันน่นแหละ หมายความถ้าเราติเตียนเราก็ติเตียนที่ศีลมันจะติเตียนที่คนว่าตรงนี้บาลีว่าอย่างนี้ยังบุกพร่องอยู่ตรงนี้บาลีว่าอย่างนี้ยังบุกพร่องอยู่ก็ติเตียนได้ประการต่อไปเป็นการพูดถึงกติธรรมดาของชีวิตในสองกรณีนะฮะกรณีแรกก็คือว่าบรรพชิต ควรพิจารณาหนึ่ ง, นงว่าเราจะต้องพลัพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปทำไมเราพิจารณาเรืองการพลัพรากจากของที่เราไม่ชอบล่ะคือของไม่ชอบมันพลัพรากไปเราดีใจนะแต่ของที่เราชอบเนี่ยพอพลัพรากไปเราจะเสียใจดีใจมันมีปัญหาอะไรมีปัญหาในสุขภาพใจกับคนนั้นเท่านั้นเอง แต่เสียใจนี้มันจะนำไปสู่ปัญหาผมก็เตรียมใจเอาไว้ว่าการพลราดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาและวันประชิดควรพิจารณาหนึ่งว่าเรามีกรรมเป็นของของเราของตัวเราทำดีจกได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วอันนี้ก็คือสูตรที่ทรงสอนในปิญหาปฏจเวคขณะนั่นเอง พอเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นผูกพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมอันไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นของบุคคลนั้นแหละดีก็เป็นของคนนั้นชั่วก็เป็นของบุคคลนั้นทึงความเราสังเกตว่ามันมันเกี่ยวกับเวลาทั้งหมดเดี๋มันเกี่ยวกับเวลาทั้งนั้นเลยใช้เวลาในขณะนั้นนั้นให้มันเป็นประโยชน์ ใช้เวลาในการเป็นในฐานะนั้นนั้นให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาในการเลี้ยงชีวิตให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาในการพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์ได้มากใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราไม่ได้ดีแล้วนะเรายังมีปัญหาอะไรอีกเยอะก็หมายความว่าไม่ปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไป เพราะมันเอาชีวิตเราไปด้วยนะแล้วก็ผลักเราใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆไม่รู้จโโะโผล่มาเมื่อไหร่ข้อที่๙ท่อที่๘มันประชิตควรพิจารณาหนึ่งว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่วันคืนนั้นผ่านมาแล้วไปจากไปผ่านมาแล้วไปจากไปผ่านมาแล้วไปจากไปแต่มันเอาชีวิตเราไปด้วย มันผ่านไปหนึ่งวินาทีเราก็แก่ไปหนึ่งวินาทีวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเราก็แก่ไปยี่สิบสี่ชั่วโมงบางวันมันก็มีความรู้สึกองเงี้ยวันนี้ไม่ได้สาระประโยชน์อะไรเลยอย่างบางทีมีปัญหาเช่นว่าเกิดไม่สบายขึ้นมาแล้วก็นอนส้มอย่างเงี้ยเราก็แก่ไปเปล่า โราคายค่าเจ็บเสียดแทงเบียดเบียนทำอะไรก็ไม่ได้จะอ่านหนังสือก็ไม่ได้จะทำสมาธิก็ไม่สงบก็เวลาก็สูญไปวันหนึ่งแต่วันที่มันผ่านไปมันไม่ได้ผ่านไปเฉยๆมันเป็นนาทีทองของเราที่เราสามารถแสวงหาประโยชน์ได้ แล้วตั้งใจถามตัวเองว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่คืออย่าลืมว่ากายจะสงัดวาจาจะสงัดจิตจะสงัดมันอยู่ที่เราพอใจในความสงัดแต่เราไม่พอใจในฉาความความสงัดก็ตั้งวงคุยเรื่องร้ายสาระกัน อย่าง ต, งตั้งวงตั้งตั้งวงดื่มสุรากันนเนี่ยตั้งวงคุยเรื่องไร้าสาระกันตั้งวงถกเถียงปัญหาต่างๆกันแต่แลเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไร้าสาระผ่านการเวลาไปไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วก็สวดเลยไปจนถึงว่า ค, คุณพิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทําให้เราเป็นผู้ไม่เกอร์เขินเมื่อเพื่อนบนรรนทิตถามในการภายหลังมาความมาเกิดมาชาท่านมีดีอะไรบ้างที่วันใหม่หมพร้อมกับความแก่ของเราเนี่ยเรามีดีอะไรไหมเช่นดูสิราคาเป็นยังไงลดลงไหมโลภะเป็นไงลดลงลไหม โทสะเป็นยังไงลดลงไหมโมหะเป็นยังไงลดลงไหมความประหมาดเป็นไงลดลงไหมหรือว่าดูที่เพิ่มก็ได้เมตตาเราเพิ่มขึ้นไหมกรุณาเราเพิ่มขึ้นไหมมุนทิตาเราเพิ่มขึ้นไหมอุเบกขาเราเพิ่มขึ้นไหมอัคติแต่ละข้อเนี่ยของเราลดลงหรือไม่ เอาตรงนี้ก่อนแต่ว่าโดยหลักที่อัตถกาถาท่านอธิบายเนี่ยจะบอกว่าเวลาเพื่อนเรานอนบนเตียงที่กำลังจะตายไม่ตายแหลอยู่เนี่ยเพื่อนก็จะสอบถามเรื่องคุณพิเศษมีมรรคผลใ่ผ่านเป็นต้นเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยท่านได้อะไรบ้างหรือเปล่าอย่างที่มั่นใจในกติกาตัวเอง เป็นการปลุกท่านให้ตื่นขึ้นถ้าท่านคุ้นชินกับการจเจริญกรรมฐ า, านอยู่ท่านจับอารมณ์ได้แล้วจเจริญวิปัสสนากรรมฐานในขณะนั้นสามารถที่จะบรรลุได้หรือท่านคุ้นเคยกับสมาธิมาเกิดตระหเกิดละอายต่อเพื่อนคําถามของเพื่อนอกําหนด จ, จิตเจริญสมาธิอาจจะบรรลุฌานก็ได้ พวกบรรทุชานนีคติครบมันแน่นอนพอตายไปแล้วก็จะบังเกิดในพรหมโลกที่ก็เป็นหลักการบริหารเวลาแต่ถ้าเราดูในข้ออื่นมันก็คือคือกันนะนะคือมันมีการแฝงเวลาอยู่ตรงนั้นและเพราะว่ายังไงกาละเทศะเนี่ยเวลากับสถานที่นี่เราก็หนีไม่พ้นหรอกเราอยู่กับเขา ทั้งเวลาทั้งสถานที่แหละเราอยู่ในที่ใดก็ตามมันมีเวลาในที่นั้นเราอยู่ในเวลาใดก็ตามเราก็มีสถานที่อยู่ในที่นั้นคนก็พยายามที่จะหาประโยชน์จากเวลาที่มาถึงเข้าแล้วกำลังเป็นไปกำลังเปลี่ยนแปลงไปพร้อมด้วยจุดค่าเวลาในชีวิตของเราให้หมดไปสิ้นไปด้วย